บุกทูยี่สิบหกหกสิบสองธรรมชาติในธรรมคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับ Can you see คุณเห็นผู้เขาตรงนั้นไหมครับ c a คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ Can เห็น e ม l น้ำตรงนั้น r คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ Can เห็น e ะพานตรงนั้ครุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ Can you see there? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ ผมชอบนกตัวนั้นดเดูเคัยกด์ลผมชอบต้นไม้ต้นนั้นดียร์ทรีคันยา g อกด์ลีดผมชอบก้อนหินก้อนนี้เฮตนคันยาอดลผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Den park der, kan ผมชอบสวนนั้นดิน h ะเ e เคยกเลืผมชอบดอกไม้นี้ดินแมส์คยากร์ลืผมว่านั่นมันสวยยซตีอาสมผมว่านั่นมันน่าสนใจ ผมว่านั่นมันงดงามผมว่านนม i นนผมว่านั่นมันน่าเกลียดผมว่านั่นมันน่าเบื่อผมว่านั่นมันน่าเบื่อผมว่านั่นมันแย่ผมว่านั่นมันแย่